หลักหลายความคิดมากลักษณะสลัดกับผักหลายชนิดนะแต่ไงคือแต่เพราะส่วนใหญ่นี่ลงในรายละเอียดไปหมดเลยนะรายละเอียดว่าตัวเองไปทำยังไงไปคิดยังไงอะไรยังไงซึ่งพื้นฐานเดิมเนี่ยควรจะตั้งวัตถุประสงค์ก่อนนะั่น คือถ้าวัตถุประสงค์เราชัดเจนตั้งแต่แรกวิธีการทั้งหลายแหล่มันก็จะอนุวัตเพื่อเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่เดิมเราจะต้องต้องนึกอย่างหนึ่งว่าปัญหาของเราที่เรามาศึกษาธรรมะมันคืออะไรนั่นแหละอันนี้ต้องต้องเป็นอันดับแรกเลยนะที่ตั้งหรือถ้าว่าแค่แค่เพื่อความสบายใจนั่นะถ้าแค่นั้นก็ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะคนประเภทนี้ก็ยกไว เรียว่าไม่สบายใจก็มาเรียนให้สบายใจซะหน่อยนะซึ่งไม่ได้ต้องการลงรายละเอียดอะไรนักเนีนะเพียงแต่ว่าฟังแล้วมันมันไม่ก่อให้เกิดโทษในวัตถุกรรมอะไรเงี้ยนะ ก, ก็ฟังไปอันนี้กลุ่มหนึ่งส่วนกลุ่มที่ประสงค์จะพูดถึงต่อไปนี้คือพวกที่มีความคิดในเรื่องวัตตะค่อนข้างมากคือมองชีวิตหนึ่งชาติเท่ากับหนึ่งวันเนี่ยนะ สมมตินะถ้าย่อชีวิตมันหนึ่งชาติเหลือหนึ่งวันหรือมองชีวิตหนึ่งชาติคือหนึ่งนาทีนี่นะสะแล้วก็ไอนาทีที่ผ่านมานี่ก็มากเหลือเกินนาทีที่จะมีต่อไปในอนาคตก็ไม่สิ้นสุดนี่นะคือมองชีวิตหนึ่งชาตินะย่อมาเลยร้อยปีนี่ยให้เหลือได้หนึ่งนาทีเนี่ยไอที่ผ่านมาก็มากมหาศาลไอที่จะไปอีกก็ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่นะทีนี้ไอไอความเป็นไปอย่างนี้ เราเราเรียกว่าเรามีทุกข์ไหมเห็นไเอาแบบที่คุณหมออินทรอนเคยพูดหลายๆครั้งแล้วคนมันต้องมีทุกข์จึงมาศึกษาธรรมะเหมือนกันเถอะมีทุกข์อะไรจรึงมาศึกษาธรรมะนะแกก็เที่ยวไล่ถามไปหลายเจ้าแล้วถามมาแต่ ม, มาด้วยเหมือนนทุกข์อะไรนไคือคือไ อ, ไ อ, ไอการศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็คือเพื่อทางออกของอีกอย่างหนึ่งใช่ไหม ซึ่งแม้กระทั่งเราเดินทางก็ต้องเผื่อทางออกที่เราเลือกกันนะการมาศึกษาธรรมะก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งทีนี้เราจับออกจากอะไรเนี่ยนะทีนี้ทําไมเราจึงอยากออกอยังพูดถึงชีวิตในวัตฏะเนี่ยนะวัตฏะนี่มันเสียหายยังไงมันมันเลวร้ายนักหรือยังไงทําไมเราจึงอยากออกเนี่ยนะอันนี้พูดถึงคนที่มีความเชื่อหรือมีกรรมมัสกาเป็นอย่างดีแล้วนะ แต่ถ้าคนที่ยังไม่มีกรรมสกตาไม่มีความรู้สึกเชื่อบุญเชื่อบาปไม่ได้มองเห็นชาติอดีตชาติไม่มีความคิดถึงเรื่องชาติหน้าอะไรเลยชีวิตก็บริโภคกรรมไปวันวันหนึ่งก็ถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าห่างไกลในในวิ ช, ชาที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นอย่างมากวิ ช, ชาทั้งหลายโดยเฉพาะอันีจสัญญาเนี่ยนะการไปคุ้นคิดในสิ่งนีน้คือเหมาะกับคนที่เขาอยากออกจากวตเนี่ยนะ ก็เขามองว่าชีวิ ต, ตนี้มันเป็นไปในสังสารวัฏเนี่ยนะชีวิตที่เป็นไปในวัฏฏะทีนี้วัฏฏะเนี like ่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นไปยังไงเนี่ยนะวัฏฏะก็ไหลไปทวารตาบ้างเนี่ยนะคือไหลไปทวารตาก่อนถ้าอย่างที่เห็นเห็นตอนนี้เลยคือกรรมวัฏวิปากวัฏเนี่ยมีเลยเมื่อลืมตาเนี่ยวิปากวัฏเกิดเลยหลังจากเห็นแล้วเนี่ยกรรมวัฏก็เกิดต่อหลังจากกรรมวัฏนี่ก็ทาเหตุไปแล้วนะ ทำเหตุเพื่อที่จะให้มีวิบากต่อไปวิบากถ้าจะว่าไปในอนาคตก็จะคืออะไรก็จะคือวิบากอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี่แหละแต่ว่าคุณภาพจะแตกต่างกันก็ตามสมควร่นะหูก็เป็นอย่างหูที่เราได้ยินเนี่ยนะตัวองค์ประกอบของหูหรือโสตวิญญาณผัสสะเวทนาก็กลุ่มผลของเหตุในอดีตแล้วก็อาศัยได้ยินเสียงก็มาทำเหตุใหม่อย่างนะ เหตุเหล่านั้นที่มันมีผลเนื่องจากมีกิเลสเนี่ย น, นะคือมีกิเลสเข้าไปฉาบทาในในทวารทั้งหกเนี่ย น, นะตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าถ้าจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือขันห้าเนี่ย น, นะพิจารณาขันห้าให้เห็นในทวารหกว่าไอความเป็นไปเหล่านี้ก็มีแต่ขันห้าล้วนที่เป็นไปไม่มีใครเลยอยู่ในนั้น คือขันห้าที่เป็นเหตุขันห้าที่เป็นผลกรรมขันห้าที่เป็นกรรมขันห้าที่เป็นวิบากขันห้าที่เป็นกิเลสเนี่ยนะกิเลสกรรมวิบากที่สัมพันธ์เป็นไปอย่างสืบเนื่องในสังสารวัฏที่ที่เรียกว่าเบื้องต้นไม่มีที่ว่ามันตั้งเมื่อไหร่อนาคตต่อไปเนี่ยมันจะจบที่ไหนเนี่ยนะก็มองเป็นเหตุเป็นผลทีนี้เหตุผลเหล่านี้เนี่ย ที่เป็นไปอยู่ยอมรับว่าหนึ่งสิ่งที่ได้คือชาติทุกเนี่ยนะชาตินั้นถ้าจะกล่าวเนี่ยนะถ้าคิดถึงเรื่องชาติไม่ควรมองแค่ปัจจุบันชาติเนี่ยนะคนที่มองแค่ชาติเดียวนี้ก็ยากที่จะอยากยกตนออกจากวัตฏะเพรา ะ, ะนั้นจะต้องมองชาติให้มากชาตินั้นก็คืออะไรชาติในภพต่างๆเช่นปฏิสนธิในในรกทั้งหลายปฏิสนธิในเปรตปฏิสนธิใน หมู่เดราชาญทั้งหลายหรือมาปฏิสนที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในคันก็เป็นยังไงหรือถ้าไปปฏิสนที่เป็นอ ม, มนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมอ น, นะเพื่อที่จะอะไรเพื่อให้เกิดวิบากและกรรมมรูปอันใหม่ขึ้นมาเพื่อจะได้มาทำกรรมอีกกิเลสจะได้ฉาบทาต่อไปแล้วก็ทำเหตุใหม่ทีนี้ไอ้การทาเหตุใหม่เหล่านี้เนี่ยนะที่มันมีผลต่อไปไม่มีสิ้นสุดมาจากไหนก็บอกมาจากกิเลส กิเลสเนี่ยเป็นตัวฉาบทาทําให้กรรมเหล่านั้นมาให้ผลทีนี้ก็ตั้งทฤษฎีใหม่ว่าทํำยังไงมันจะหมดกิเลสถ้ามันหมดกิเลสกรรมมันก็หมดถ้ากรรมหมดนะทุกข์มันก็หมดเพราะทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากมันเกิดมันเป็นผลซะแล้วมันเป็นผลผลก็ต้องมาจากเหตุเหตุอันนั้นก็คือกรรมกรรมนั้นมาจากไหนกรรมที่มันให้ผลได้ก็เพราะกิเลสและกิเลสมาจากไหนก็มาจากทวารต่างๆ <c oughs> ก็ตั้งคิดคิดยังไงมันจึงจะหมดกิเลสเนี่ยนะ นันอคําสอนว่าด้วยอนิจจสัญญาเป็นต้นก็คือเป็นเป็นกลุ่มความคิดว่าคุณคิดอย่างนี้นะคุณจะหมดกิเลสเนะี่ยนพระพุทธเจ้าก็บอกวิธีคิดให้ถ้าคุณคิดอย่างนี้หมดราคานะแน่คิดอย่างนี้หมดโทสะคิดอย่างนี้หมดโมหะเพราะว่าราคะโทสะโมหะนี้เป็นเหตุแห่งกรรมกรรมเป็นเหตุแห่งวิบากต่อไปในอนาคตมันต้องมองชีวิตให้สัมพันธ์กันอย่างนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเนี่ยนะถ้าถ้าจะมากล่าวถึงการเจริญเนี่ยนะ ทีนี้เมื่อเมื่อมั่นใจแล้วว่าอ่ะรู้แล้วว่าวัตฏะสงสารที่มันเป็นไปเนี่ยมาจากกิเลสนะกิเลสเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ว่างั้นเถอะถ้าหากว่ามันสิ้นกิเลสแล้วกรรมถึงมีอยู่มันก็ไม่ให้ผลวิบากที่มีอยู่มันก็มันก็จะมีเท่าที่มันสามารถจะเป็นผลได้นี่แหละว่างั้นนะพระอรหันต์ทั่วๆไปก็บอกว่าถ้าผลของกรรมมันจะให้ผลมันก็ให้ผลได้เฉพาะชาตินี้นี่แหละชาติหน้าต่อไปมันเลิกให้ผลแล้ว และกรรมใหม่ที่ทําให้มันเป็นกิริยาให้หมดเลยเนี่ะให้มันชีวิตมันจบสัทีหนึ่งว่างั้นเถอะวุ่นวายเนอขัดข้องเนอแบบแบบใครนะพยาศาแบบพยาศาแบบเจ้าชายสิทธรรโอ้ยมันวุ่นวายเนาะมันขัดข้องเนอไม่เห็นสนุกสักอย่างเลยนะเบื่อเต็มที่นะพูดแต่ภาษาไทายไทยเรานะเหมือนมันน่าเบื่อเหลือเกินไม่มีมีสาระเป็นสักอย่างเลยนะดูเหมือนดีแต่มันไม่ใช่อนะเหมือนกับชั้นอาหารเนี่ยดูเหมือนดีอ่ะนะตอนแรกแต่ตอนหลังมันไม่ใช่อีกแล้วนะ คือคือหลายๆเรื่องอ่ะนะที่เราเราคิดว่ามันดีอะ่ะแต่ตอนหลังมันไม่ได้ดีจริงอ่ะนะทุกสิ่งในโลกนี้เนะีะไม่มีดีจริงสักอย่างหนึ่งอย่างน้อยที่สุดแปรผันแน่นอนะมันไม่ดีจริงเมื่อมันไม่ดีจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก่อให้เกิดทุกโทมันัดเป็นอย่างมากนะนะกับผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกิเลสมันก่อให้เกิดทุกในชาตินี้ก่อนลนะชัดๆเลย อย่างที่สองเนี่ยถ้าเกิดอีกทุกเหล่านี้มันก็เกิดอีกเป็นแน่แล้วมันจะหนักกว่านี้ด้วยเพราะว่าสังสารวัตเนี่ยถ้าถ้าว่าโดยรวมๆแบบภาพประมวลนะสังสารวัตอ่ะคือตึกสาสิบเอดชั้นที่ขึ้นลงขึ้นลงแล้วตึกเหล่านี้ไม่ได้มีหลังเดียวเนี่ยนะตึกสาสิบเอ็ดชั้นขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยนะเท่ากับภพภูมิสามสิเอ็ดภพภูมิเนี่ยนะแล้วมันมีอยู่สมมติว่า แสนโกดล้านตึกแบบนั hmm. ้นนะนะขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยแล้วสลับตึกบ้างขึ้นลงขึ้น symmetry, ลงสลับตึกอยู่อย่างเนี้นะซึ่งเมื่อไหร่มันจะพ้นไอ้วงจรเหล่านี้สักทีหนึ่งเมื่อไหร่มันจะจบสักทีหนึ่งบอกว่าถึงว่าจะเปลี่ยนตึกหลังนี้ไปอยู่อีกหลังหนึ่งมันก็คือไปสร้างปัญหาหลังอันใหม่ไปเรื่อยนี่นะหรือขึ้นลงหรือมันก็คือสร้างปัญหามันก็อยู่ในวังวนอันนี้เมื่อไหร่มันจะจบสักทีหนึ่งนะก็รู้แล้วว่าเออเหตุอันนี้มันที่มันเป็นไปอย่างเนี้ยเพราะเรามีหนี้นะพูดแบบภาษานึง เพราะเรามีหนี้ในในในในตึกหลังนี้เราจึงวนเที่ยวเวียนขึ้นเวียนลงจากตึกหลังหนึ่งซูยอีกหลังหนึ่งเวียนขึ้นเวียนลงอ่ะเพราะเราติดหนี้ในสิ่งเหล่านี้นะหนี้สินมันมากเหลือเกินอะนะทีนี้ถามว่าทํายังไงมันจะแก้หนี้สินได้นะคือถ้ามองกิเลสเป็นเหมือนกันหนี้สินอ่ะนะความเป็นหนี้เป็นสินพองษ์ก็บอกว่าเธอไปคิดอย่างนี้นะแล้วเธอจะใช้หนี้ได้หมด น, หนีนะก็บอกวิธีคิดให้ นะซึ่งไ อ, ไอการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญทางทวารไหนมากที่สุดถ้าตั้งคำถามนะกายวาจาใจอาอเออมันนอกคำถามานากเง้ยบล็กเฟรมเลยโอตั้งกบประตูวไว้นี่ระเตะออกนอกเลยถามกายวาจาใจกันไปตอบตาได้เก่งมาก ตัลวัตเคยตัวที่ปฏิบัติจริงๆอ่ะนะก็คือโดยมากก็คือทวารใจเนี่ยนะที่และทวารใจเนี่ยนะมันเป็นตัวที่สามารถทาให้เกิดอิริยาบถได้ก็ไม่มีปัญหามานยืนเดินนั่งนอนก็ไม่เกียกเพราะจิตที่เกิดในมโนทวารมันทำอิริยาบถอยู่แล้วทำให้ยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วอ้ตัวกรรมที่ตั้งไว้เนี่ยเป็นกรรมในมโนทวาร เมื่อเป็นกรรมในมโนทวารก็เป็นเรื่องของความคิดเลยนะเป็นเรื่องของทิฏฐิเลยนะว่าทางภาษาทางธรรมะเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ขึ้นต้นด้วยอะไรขึ้นต้นด้วยความเห็นขึ้นต้นด้วยทิฏฐิหมายหมายขานิยมแปลว่าทฤษฎีเนี่ยนะทฤษฎีต่างๆอ่ะนะแต่ทิฏฐิคือทฤษฎีนะแนวความคิดนั่นเองคิดยังไงมันจึงจะพ้นทุกข์อ่ะนะถ้าตั้งคําถามขึ้นอ่ะนะนะถ้าเราเราเร า, เราคิดแบบสมมุติถ้าเราเป็น เจ้าชายศิริธะออกจากบ้านจากเมืองไปเนี่ยนะมันคิดยังไงจึงจะพ้นทุกข์ได้เออแต่ว่าต้องมองปัญหาให้ออกก่อนนะว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรปัญหาที่ท่าน เ, าเบื่อหน่ายมากก็คือไอเวียนตายเวียนเกิดนี่แหละเดี๋ยนะจากเหตุกระตุ้นมากคือท่านเห็นคนแก่อย่างหนึ่งเห็นคนป่วยอย่างหนึ่งเห็นคนตายอย่างหนึ่งแล้วก็เห็นการใช้ชีวิตแบบสมณะเพศอีกอย่างหนึ่งเห็น4ประการแล้วถ้าไปใช้ชีวิตแบบสมณะเพศอะไปคิดยังไง คิดเพื่อให้มันพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายเนี่ยนะเราตั้งมาคิดเออไอแก่ตานี่มาจากไหนมาจากเกิดเนี่ยนะก็ไ อ, อเกิดนี่เร็วมากเนี่ยนะตัวเกิดนี่แหละถ้าไม่เกิดในนรกทุกในนรกไม่มีรอกไม่เกิดในเปรตทุกในเปรตไม่มีรอกทุกมาถ้าไม่เกิดในคันมารดาสอย่างเดียวเนี่ยนะไอทุกที่เห็นเห็นอยู่ไม่มีรอกถ้าไม่ปฏิสนธิในพบในไหนทุกต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีเนี่ยนะ แล้วเอกปฏิสนที่อันนั้นก็ย้อนอีกทบทวนอีกครั้งว่ามาจากกรรมกรรมก็มาจากกิเลสเหมือนกันเถอะและกิเลสมาจากไหนก็มาจากทวารหแต่ที่คุ้นเคยกันมากคือมาจากเวทนาสาเวทนาสามก็มาจากทวารหเนี่ยนะเมื่อเวทนาสามมาจากทวารหเนี่ยนะแล้วเวทนาเหล่านี้ซึ่งเป็นปัจจัยแก่กิเลสถามว่าเป็นปัจจัยแก่กิเลสแต่เฉพาะหน้าเท่านั้นหรือ ทำไมเอาเช่นเนี่ยนะพอเห็นปั๊ภาษาเวทนาเกิดดีไม่ดีตอนนี้นะเราอาจจะยังไม่มีราคะแต่ตอนหลังเป็นปัจจัยแก่ราคาพะนั้นถือว่าเวทนาอนนี้เป็นปัจจัยแก่ราคาในตอนหลังเราเห็นวัตถุธรรมดาทั่วๆไปเป็นปฏิฆานิมิตตอนนี้อาจจะไม่มีโทสะแต่ว่าไอาเวทนาอันนี้เป็นปัจจัยแก่โทสะในภายหลังเนี่ยนะเพราะนั้นเวทนาเป็นปัจจัยแก่สังขารเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่สังขะ เพราวเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัญหาหรือเป็นปัจจัยแก่กิเลสเนี่ยนะมันเป็นปัจจัยได้โดยอุปนิสัยปัจจัยแต่ทางธรรมะใช้คําว่าอุปนิสัยปัจจัยทั้งอนันตรูทั้ An งปกจจตูและอารมณูเนี่ยนะก็เป็นปัจจัยแก่ความคิดต่อไปดังั้นการเห็นแต่ละครั้งเนี่ยมีมีผลต่อการเกิดขึ้นของกิเลสครั้งหน้าครังหน้าการได้ยินแต่ละครั้งมีผลต่อการเกิดแห่งกิเลสต่อไปการได้ยินการรู้กลิ่น fin, การรู้รสหรือความรู้สึกนึกคิดเนี่ย เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสในครั้งต่อไปหมดเลยและกิเลสเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยแก่การทำกรรมโดยที่สุดแม้แต่เราทั้งหลายมานั่งกันอยู่นี้เป็นการทำกรรมไหมมาบริโภคกรรมร่วมกันนี่ก็คือการทำกรรมชนิดหนึ่งทุกท่านที่พูดก็เป็นวจีกรรมทุกท่านที่ฟังก็เป็นมโนกรรมะ น, นะคือฟังแบบไม่ขยับ น, นะเว้นไว้แต่ฟังด้วยกับพริบตาด้วยก็เป็นกายกรรมแต่ถ้าฟังแล้วนิ่งเฉย ขณะที่นิ่งอันนั้นเป็นมโนกรรมเพราะฉะนั้นก็บริโภคกรรมร่วมกันคนบางคนก็ทวานกายบ้างบางคนก็ทวานวาจาบ้างบางคนก็ทวานใจบ้างส ล, ลับพระเครากันไปกรรมเหล่านี้ถามว่ามีผลไหมมีมีต่อไปตามสมควรกับเหตุที่กรรมอันนี้มันให้ผลเนี่ยมาจากอะไรก็มาจากกิเลสกิเลสตัวใหญ่ๆ ห, หลักๆ ก, ก็มีความโลภความโกรธและความหลงที่เรียกว่ามูลนะ ตัวหลักๆ Bull ใหญ่ๆเลยแต่ตัวสำคัญที่สุดในบรรดาโลภโกรธหลงเนี่ยให้ความสำคัญสองตัวคือตัวโลภกับตัวหลงเพราะความโกรธถือว่าเป็นผลของความโลภความหลงความโกรธนะเป็นผลของความโลภและความหลงเพราะความโกรธเป็นทุกขสั์ความโกรธนะเป็นทุกขสัจตัวความโลภเป็นสมุทัยสัจเพราะฉะนั้นความโกรธทั้งหลายเกิดจากความปรารถนาความต้องการ ทีนี้ทำยังไงมันจึงจะได้หมดความปรารถนาสักทีหนึ่งจึงจะหมดความต้องการเด น, นะเอ่อพง์ก็บอกแนวทางหรือคำสอนเพื่อที่จะให้หมดความต้องการในอารมณ์เนี่ยนะทีนี้ยืนอย่างอยู่ๆเนี่ยเราเห็นอะไรเป็นของดีไปหมดถามว่าเราจะลดความต้องการในอารมณ์เหล่านั้นได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะก็ต้องมองให้มันเห็นตรงกันข้าม กับที่เราเข้าใจเดิมๆนั่นนะกับความวิปลาดเดิมๆของเราอ่ะทีนี้ไอ้การที่มองให้มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคิดเนี่ยสิ่งนี้เป็นความจริงไหมอันนี้ต้องมาตั้งเป็นัดนดับแรกอ่านะเช่นความไม่เที่ยงถามว่ามันเป็นความจริงหรือว่าคิดคิ ด, คดหลอกหลอกตัวเองกล่อมตัวเองอ่านะเพราะไอ้อย่างที่ที่กล่าวต่อไปเนี่ยสิ่งที่กล่าวมันเป็นความจริงซึ่งไม่ใช่แบบมาหวานล้อมตัวเองมา มาเขามากระตุ้นให้ให้เออเนี่ยมันอย่างนี้นะมันทั้งที่เขาสมมนวนนะเขาเป็นคนดีอะ่ะแต่เราบอกมันเลวมากมันชี้นําแบบนั้นไม่ใช่แต่นี้เขาบอกว่ า, อามองอย่างที่มันเป็นจริงๆว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างอันนีน้ก็ให้คิดตามความเป็นจริงของมันเมื่อทุกขสัตว์เนี่ยกิจอย่างเดียวคือปริญญาญากิจคือไปคิดตามเป็นจริงของมันว่ามันเป็นจริงยังไงเห็นไหมอุปาทานขันห้ามันจริงยังไงเบื้องต้นของขันห้าขึ้นเกิดขึ้นที่ไหน ชาติจุดจบของขันห้าอยู่ที่ไหนมรณนะไอ้ระหว่างชาติกับมรณะเนี่ยมันคือการสร้างเหตุขันห้าอันใหม่เนี่ยนะคือคือการก่อสร้างขันห้านะระหว่างเกิดกับตายเนี่ยพอเกิดมาปั๊บก็ดำรงอยู่ด้วยความแก่ไอ้ตรงนั้นน่นะคือการสร้างขันห้าอันต่อใหม่หมก็ไปหาความแก่เกิดและก็ตายต่อไปอีกออก็อยู่อย่างนี้แหละ มันคิดยังไงที่ที่จะมองว่าเออขันห้าเนี่ยตัวเป็นตัวสํานวนว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมแล้วพิจารณาขันห้ายังไงล่ะที่จะให้มันมันมันหมดกิเลสแล้วมันจะได้สิ้นกรรมสักทีนึง่งผมก็บอกว่าให้ไปเห็นขันห้าเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงนะซึ่งความจริงของขันห้าไม่เที่ยงอยู่แล้วก็ให้ไปคิดตามจริงนั่นแหละไม่ได้ไป ไปใช้กโลบายแบบกลแบบแบบสงครามไม่ใช่นะสงครามนี่ไม่ใช่กุสโลบายเรียกกโลบายเนี่ยนะแต่ทางธรรมะใช้คําว่ากุสโลบายเนีนะกโลบายก็มาจากคําว่ากลมายานะหลอกลวงนะกับอุบายที่เกิดด้วยความหลอกลวงแต่กุสโลบายเนี่ยแปลว่าความฉลาดอุบายที่เกิดขึ้นจากความฉลาดฉลาดตามเป็นจริงเนี่ยนะคือมองตามเป็นจริงเท่านั้นเองว่าขันห้ามันจริงๆของขันห้าคื อ, อยังไง บอกว่ามีเกิดเป็นเบื้องต้นมีตายเป็นที่สุดอย่างนี้แหละถือว่ามันมีแล้วมันก็ไม่มีแต่การพิจารณานั้นะ่ะโดยทั่วๆไปการพิจารณาไม่เที่ยงอะ่ะท่านก็ให้พิจารณาแบบหยาบขึ้นมาก่อนเลยขันท่าในอดีตชาตินี่มีเหลือไหมเหลืออะไรติดมาสักปอยหนึ่งมาถึงปัจจุบันนี่ไหมเวลาวันติดเขี้ยวมาสักเขีย่ยวไหมของชาติที่แล้วนะ อ๋อที่เป็นผลกรรมอะนะแต่ตัววัตถุของชาติที่แล้วไม่ได้ติดมาเลยนะ<อ>ติดมาในยุ่งแ น, น, ง น, น่ติดแต่ไอาย อ, อุ่นมาเฉยๆยังยุ่งขนาดนี้เลยนะไม่ใช่ของชาติเก่าเห็นไหมเป็นผลของวิบากกรรมมาสรูปที่เกิดในชาตินี้เห็นไหมคือถ้าเป็นของชาติที่แล้วนะเช่นมีเที่ยวมาอันหนึ่งเกิดมาก็เที่ยวอันนั้นนมาเลยนะ ติดมาด้วยเลยอ่ะซึ่งมันเหมือนเดิมทุกอย่างอะไรเหมือนดาวเนี่ยนะอายุใช้งานมันเท่านั้นมาเลยอย่างเงี้ยนะไม่ใช่หูอย่างเงี้ยติดหูมันเมันหูชาติที่แล้วมันเป็นหูอีกอย่างหนึ่งอ่ะนะแล้วหูใบนั้นอนะ่ะมันติดมาด้วยเนี่ยนะประกอบอันนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้ของชาติที่แล้วหมดเครื่องไม่มีเหลือแม้ในชาตินี้เลยรีบไปผ่าตัดออกเลยนะเดือด <laughs> ร้อนคนไทย ทีนี้ถ้าของชาติหน้าต่อไปนะถ้าเรามีนะมีมันก็หมดในชาตินั้ น, น, นทุกชาติไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะที่ไหนมีที่ไหนก็ต้องหมดที่นั่นมีในภพใดก็ต้องหมดที่นั่นถ้าถ้าเปรียบเทียบเหมือนอาหารนะอาหารที่เราบริโภคไปเนี่ยนะประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้จะต้องอจะต้องเอาออ ก, ก น, นะถ้าใครไม่ออกนี่เดือดร้อนแะน่คนนั้นนั่งใกล้เข้าบ้าเข้าสังคมเขาไม่ค่อยได้แล้วนะถ้าสัก สี่ิแปดชั่วโมงหรือว่าเกินไปกว่านั้นอีกก็เข้าหมู่เข้าพวกเข้าไม่ก็ได้แล้วนะมันต้องว่ามันจะต้องหมดอยู่ในระหว่างเนี้ยมันจะไม่เกินนี้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงอย่างหนึ่งเหมือนกันคือมันมีเบื้องต้นและมันมีที่สุดและสิ่งที่มีเนี้ยมีแล้วก็จักไม่มีเนี่ยนะก็มีแล้วก็ไม่มีก็พูดอีกในหนึ่งก็บอกเหมือนกินเลี้ยงอะนะ มีเริ่มต้นก่อร่างขึ้นมาแล้วก็เลิกรากันไปก็มีอยู่เท่านั้นนะมีเบื้องต้นมีที่สุดและไอสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันมีแล้วมันก็จะไม่มีแต่ถ้ายังถ้ายังนักกินเลี้ยงต่อไปมันก็จะมีไปเรื่อยนะมันมีแล้วไม่มีแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ทำเหตุแห่งความมีต่อไปเนี่ยนะทำยังไงที่จะได้ว่ามองว่าสิ่งเหล่านี้มันมีแล้วมันก็ไม่มี เมื่อมันมีแบบไม่ต้องการให้สร้างขึ้นอันใหม่เนี่ยต่อไปก็คือให้เห็นความจริงถึงความไม่มีหรือความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้ไว้ตลอดเวลาเนี่ยนะมันก็คิดหยับยาบก่อนเลยนะของชาติที่แล้วก็หมดแล้วในชาติที่แล้วของชาติหน้ามันก็จะหมดในชาติหน้านั่นแหละของชาตินี้ก็จะไม่ติดไปสักจุกหนึ่งหรอกไปอยู่ชาติหน้าเนี่ยนะถ้าเกิดเป็นเทวดาแล้วนะเอาเล็บมนุษย์ไปด้วยเอาไหเอานะ หลาปมดอยแย่นะต้องหาอะไรมาพันไว้ของในชาตินี้ทั้งหมดก็จักหมดอยู่ในชาตินี้เนี่ยนะแต่ถ้ามองแบบวัยนะอย่างเช่นผู้ที่พิจารณาเนี่ยนะก็แบบสิ้นไปตามวัยเสื่อมไปตามวัยนี่ก็เอาแบบแบบน้องภาษาดีบุตรก็ได้น้องภาษารีบุตรน้องคนเล็กกันนะชื่ออะไรนะเรีย ว, ว่าตา่า เทวตาเนี่ยนะคือพี่น้องภาษาทิบุตรเนี่ยบวชไปหมดแล้วหกคนเหลือคนที่เจ็ดคือ<ม>พระเทวตะเนี่ยนะแม่ก็ฉลาดแม่ก็จะทันลูกอะ่ะบอกว่าเออก่อนที่มันจะบวชเนี่ยจับมันแต่งงานเลยอะ่ะก็จับน้องคนเล็กเนี่ยแต่งงานแต่งตอนอายุเจ็ดขวบะนะก็ไปหาเด็กที่มันรวยเท่ากันตระกูลเท่ากันอะไรเดียวกันเนี่ยเขาถือมากเรื่องนี้ก็ไปแต่งให้ถึงวันแต่งเข้าวันรถน้ำสังอนะนะก็เขาเชิญคุณย่ามา อ่ะนะย่าไอ้ยา ย, ายาเจ้าสาวเนี่ยมารดน้ำํำทีนี้ญาติใกล้ๆ ก, ลก็อวยพอในขอให้เจ้าเนี่ยครองเรือนกันจนได้อายุเท่ายายเนี่ยนะพอฟังแค่นี้ปับ๊บะฮะว่าไงนะใอ้ครองรักเนี่ยเท่าอยู่เท่ายายนี่แหละเหมือนกันเลยก็ถามว่าเออแล้วเด็กๆคนเนี้ยนะที่ที่จะแต่งด้วยเนี่ยมันจะเหมือนยายไหมก็บอกเหมือนนึกในใจมีหน้าพี่จึงบวชเหมงอนนรู้แล้วว่าพี่ชายทําไมเราบวชกันหมดเลย แล้ก็เลยคิดเอะว่าต้องบวชให้ได้ภายในวันเนี้ยถ้าวันนี้บวชไม่ได้นะไม่ได้บวชแน่ mm hmm. ก็ถึงพิธีรถน้ําสังอะไรเบ็ดเสร็จก็ก็ส่งตัวกลับไปอยู่บ้านตัวเองเ่ยนะคือไปรถน้ําสังที่บ้านบ้า น, บ, านบ้านฝ่ายสาวอะนะ mm hmm. ก็ก็จากก็เดินทางกลับมาบ้านตัวเองอะไรระหว่างทางเนี่ยท้องเสียเรื่อยแล้วกันนี้แผนของเขาก็คือท้องเสียนะหายไปเรื่อยตอนแรกเนี่ยเขาระวังมากเขาดูแลมาก มันท้องเสียบ่อยๆเข้าลูกน้องไม่มีใครสนใจเลยกันนี้พวกพวกไอ้ที่คนที่เขาให้มาดูแลนะไม่ไม่สนใจทีนี้หนีไปเลยอ่ะหนีไปไกลมากไปเข้าไปนในวัดป่าแห่งหนึ่งภาษาที่บุตรเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าน้องต้องมาบวชสั่งพระเอาไว้หมดเลยถ้ามีมีเด็กมาขอบวชนะให้บวชไปเลยผมในฐานะแม่ผมอนุญาตเองเหมือนกันก็เลยให้บวชนะท่านบวชท่านก็ไปอยู่ป่านี้ไปอยู่ไกลมากเลยนะ ไปอยู่ป่านะท่านท่านเป็นเอตทัคะในด้านอยู่ป่าท่านไปอยู่ป่าโสมๆอ่ะป่าที่คนไม่สนใจเลยนะมันไปอยู่ป่าแบบนั้นแหละตอนหลังท่านก็บรรลุเป็นพระัะฮะอันนี้อย่างที่นี้ก็คือการพิจารณาถึงความสิ้นเสื่อมไปตามวัยอนะก็วัยเด็กมันก็หมดในในวัยเด็กนั่นแหละไม่ถึงวัยกลางคนหรอกวัยกลางคนมันก็จะหมดไปในวัยกลางคนนั่นแหละไม่ถึงนไหนไม่ถึงเท่าไหร่ดิ ก็คือจริงๆอ่ะนะตอนที่มันดูดีหน่อยนะแล้วหลังจากนั้นก็ก็จะเลิกดูไม่ดีแล้วนะทวานตาชักไม่ได้เรื่องและนะทวานหูอีกอย่างเงี้ยทั้งมันก็มีมีความเสื่อมไปตามวัยนะถ้าแบ่งเป็นสามวัยปฐมวัยมัชชิมวัยปชิมวัยชีวิตในปฐมวัยมันก็หมดไปอยู่แล้วในปฐมวัยเนี่ยในมัชชิมวัยมันก็จะหมดอยู่ในมัชชิมวัยปชิมวัยมันก็จะ มันจะเสื่อมสิ้นไม่มีเหลือในปัจิาิยมาไวในที่สุดก็ตายานะทีนี้ถ้าแบ่งย่อมาเอกก็เหลือทุกๆ10สิบปีเนี่ยนะแต่ละสิบปีเนี่ยสิบปีที่แล้วเหมือนสิบปีนี้ไหมนะแต่นี่ น, นีคล่องแค่เท่าสิบปีที่แล้ว ม, มนี่มันจะเปลี่ยนพศใหม่แล้วนะปีนีนะจะดูว่าปีนี้จะแข็งแรงกับปีที่แล้วหรือเปล่านะคลาวันนะ <c oughs> สิบปีตอนนี้ตอนนี้ ได้อย่างมากสองจานก็ครับ น, นะรถไปเยอะแล้วนะก็จากห้าจานมาเหลือสองจานเนี่นะปีหน้าต่ อ, ต, อต่อไปเนี่ยก็ขอพิจารณาไปกันแล้วกันมันจะเหลือสักกี่จานต่อไปนี่ถือศีลแปกก็ได้แล้วไม่ห่วงแล้วเนะี่ยนั้นเออมันก็หมดทุกๆสิบปีนะถ้าชีวิตแต่ละสิบปีแต่ละช่วงสิบปีเนี่ยนะชีวิตสิปีที่แล้วไม่เหลือถึงสิบปีหลังมาเลยก็คิดคิดอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นเรื่องของกรรมทางมโนทวาร เพราะฉะนั้นถ้าอย่างคุณหมอที่กล่าวเมื่อกี้ว่ามันจําเป็นหรื อ, อยัางไงาในการใช้สถานที่เนี่ยนะก็เราเข้าใจอยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงคือสิ่งที่เข้าใจเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ความเข้าใจเนี่ยต้องเอามาเจริญเพราะมักเนี่ยนะความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องของทิฏฐิทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐินี้เป็นพาเวตปรธรรมเป็นธรรมะที่ต้องเจริญขึ้นไม่ใช่ว่าแค่เข้าใจก็พอเนี่ยนะคือที่เข้าใจเนี่ยดีแล้ว แต่ความเข้าใจนั้นน้อมไปสู่การเจริญหรือการพอกพูนขึ้นเพราะฉะนั้นก็เน้นไปพอกพูนในนีนะ้การที่จะพอกพูนความคิดที่ที่พิจารณาในสิ่งทั้งปวงว่าไม่เที่ยงสถานที่ก็นับว่าสําคัญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่หลีกเล้นนะโดยเฉพาะอยู่ป่าอยู่โคนไม้อยู่เรือศูนย์ยญญ า, ญญาคารเนี่ยนะเรือนว่างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ช่วยทําให้มีเวลาไคร์ควรได้มากๆ เพราะว่าคนที่ไข้ครวนนะภายในสองนาทีเนี่ยถ้าไม่ชํานาญจริงๆเนี่ยไข้ค ร, ครวนไดไม่ได้หรอกหลังคนที่เนี่ยในชั้นแรกๆในการฝึกไข้ครวนมองชีวิตอย่างตลอดสายแบบนี้ก็ต้องไข้ค ร, ครวนเนี่ยนะโดยใช้สถานที่ถ้าคําคถามที่ว่าเรื่องสถานที่นะก็มีผลต่อการเอามาพิจารณาอย่างนี้ทีนี้ต่อไปก็เริ่มเกิดการไข้ครวนถึงชีวิตลงมาละเอียดละเอียดละเอียดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงความไม่จีรังยั่งยืนของทวารแต่ละทวาร อย่างที่เห็นอยู่นี้มันก็จะหมดเช่นทวารตานีมันก็หมดในทวารตานั้นแหละมันไม่ถึงทวารหูรอกทวารหูมันก็หมดทวารหูนั่นแหละไม่ถึงทวารจมูกรอกทวารลิ้นมันก็หมดทวารลิ้นนั่นแหละไม่ถึงทวารกายหรอกทวารใจมันก็หมดทวารใจนั่นแหละไม่ถึงทวารตาหรอกเนี่ยนะก็หมุนเวียนว่าสิ่งเหล่านี้มันก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปค่อยๆย่อๆย่อๆชีวิตลงมาเนี่ยนะ ก็เห็นถึงความไม่เป็นแกนสารความไม่เป็นสาระความมีแล้วก็ไม่มีแห่งแห่งขันห้านะขันห้าตัวนั้นแหละภาษาเราเรานิยมใช้ควาว่าชีวิตเนี่ยนะก็คือมันก็มีอยู่เท่านี้ก็คร้ครวนเหล่าเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดผู้ที่พิจารณามากๆก็ละอะไรได้ละนิจจะสัญญ า, า, ญญาหรือสัญญาวิปลาสก็ได้เนี่ยนะกิเลสที่ชัดเจนก็คือกลุ่มสายมานะก็จะ ละได้นั่นแหละเพราะแล้วก็จะเห็นความสำคัญในอย่างหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้มันชั่วคราวทั้งนั้นเลยเมมันต่างตรงไหนจากความฝันบ้างเนี่ยนะฝันว่าเคยเป็นเด็กนะฝันว่าเคยเป็นวัยรุ่นฝันว่าเคยเคยมาอย่างที่เราเคยนั่นแหละก็ตอนนี้นะเหลือแต่ความฝันถ้าเก็บภาพถ่ายเอาไว้นะก็ก็เท่านั้นนะ่ะนะก็เหมือนกับมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันนึกถึงนะ่ะนะมันฝันเอาทั้งนั้น พระองค์ก็บอกว่าไอสิ่งที่ไม่เที่ยงซึ่งมันเป็นอย่างนี้นะไม่ควรอาวณ์ในสิ่งที่ล่วงไปแล้วเนี่ยนะคือเมื่อใครควรเห็นความไม่เป็นสาระของสิ่งทั้งมวลเหล่านั้นนะก็ไม่ควรอาวณ์ถึงขันที่ผ่านไปแล้วคืออะไรอาวร์เสียดายเหลือเกินเนี่ยนะเสียดายในขันเหล่านั้นๆเสียดายในวัตถุที่ปรนเปรยขันเหล่านั้นนั้นเะนี่ยนะก็ไม่เสียดาย แล้วถามว่าหวังจะได้อขันอันที่แบบเดิมกับที่ผ่านมาแล้วอยากได้ไหมเนี่ยนะแล้ก็เหมือนเขาว่าไม่เสียดายในบ้านที่มันเผาไปแล้วแล้วก็ไม่หวังจะสร้างบ้านใหม่ที่จะถูกเผาอีกเนี่ยนะแล้วก็ให้เห็นไอ้บ้านที่ถูกเผานี่มันน่าเบื่อนายมากนะหน้าออกเต็มทีอย่างนั้นนะหรือให้รู้จักวางใจแบบคนที่มีเขาในพิสุทธิมรรคพูดถึง แม่คนหนึ่งมีลูกสิบคนลูกแต่ละคนนี่เลวหมดเลยนะคนแรกก็ไปทำเลวพระราชาจับได้ตัดหัวคนที่สองถูกตัดหัวอีกเหมือนกันนะนะคนที่สามก็ถูกตัดหัวคนที่สี่ก็ถูกตัดหัวห้าหกเจ็ดแปดก็ถูกตัดหัวไอ้คนที่เก้ากำลังจะถูกตัดหัวไอ้คนที่สิบไม่ได้ฉลาดกับพี่มันเลยเลวเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย แม่ก็วางใจได้ว่าไอคนที่สิบเนี่ยนะมันจะถูกตัดหัวไอคนที่เก้าก็กำลังถูกตัดหัวอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นมองเห็นขันทั้งหลายมีความเสมอกันหมดเห็นไหมมันก็ไม่เพลิดไม่ติดข้องในขันที่เป็นอดีตไม่หวังขันที่เป็นอนาคตแล้วก็เบือ่อหน่ายนีนะคลายกําหนัดในขันที่เป็นปัจจุบันก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้เพราะฉะฉนั้นถ้าหากว่าคลายกําหนัดหรือตัดฉันราคะตัดกิเลสในขันทั้งหลายเหล่านี้ได้ ถ้ากิเลสดับอะไรดับกรรมก็จะดับถ้ากรรมดับก็รู้ว่าชาติเราเนี่ยสิ้นแล้วเนี่ยนะกิจคือการบาเพ็ญสมณธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดก็เพื่อให้ถึงจุดที่เรียกว่าตัดฉันทรา่าในอุปาทานขันห้าเพราะเมื่อฉันทราคาในขันห้าของเราสิ้นแล้วกรรมที่เป็นเหตุให้มีขันต่อไปก็ก็หมดสิ้นจบสิ้น เพราะฉะนั้นก็รู้เลยว่าถ้ากิเลสหมดเนี่ยปฏิสนธิเนี่ยจบแล้วว่างั้นชาติของฉันสิ้นแล้วกิจในการบําเพ็ญหรือปฏิบัติเพื่อกําจัด ก, กิเลสของฉันก็ก็จบแล้วเนี่ยนะคือกิจทั้งหมดทั้ง16กิจนะทั้งในระดับโสดาปติมมัคสี่สกะทาคามีสี่อนาคามีสอะรหัตตมมคก็มี4เนี่ยนะก็4ีคูณสก็เท่ากับ16กิจ16ในการประพฤติเพื่อสิ่งเหล่านี้ของฉันก็จบแล้วอันนี้เรียกว่า ด้วยอนุภาพของปัจเจเวคขณะยานที่19บนะเปล่งวาจานี้ออกมาว่าเอ้จบสักทีมันกันเถอะจบแล้วหลังจากนั้นก็เป็นมหาขีนาสวะมหาแปลว่าใหญ่ใช่ไหมขีนะแปลว่าสิ้นแล้วขีนาสวะก็คือเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วเป็นอัคระทกินายะบุคคลของโลกนี่นะหลังจากนั้นก็จะเป็นนาบุญของโลกต่อไปอันนี้พูดถึงผู้ที่เขาทํากิจเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นการจเจริญการใส่ใจกัน พอกพูนไอความคิดที่ว่าขันเหล่านี้เป็นความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะก็คือการเจริญตีระปริ ญ, ญา น, นั่นแหละนนเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อพิจารณาขันโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้ก็เชื่อว่ากาหนดรู้สิ่งที่ควรกาหนดรู้นั่นแหละคืออุปาทานขันห้าเชื่อว่าละในสิ่งที่ควรละคือละฉันทะราคะในขนนันห้าเนี่ยนะเขาก็จะรู้แจ้งธรรมะที่สงบระงับจาก ขันห้าด้วยข้อปฏิบัติตามที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคือข้อปฏิบัติที่ไปเห็นอ่าคือไปใคร่ครวนขันห้ากําจัดฉันธราคะแทงตลอดสิ่งที่สงบระงับอะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นทิฏฐิของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นทิฏฐินะตามแนวเนี่ยชื่อว่าเป็นทิฏฐิเหมือนกันแต่เป็นทิฏฐิที่เรียกว่าเป็นไปเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความอ่าพ้นทุกเนี่ยนะ ก็หวังว่าไอ้สัมมาทิฏฐิที่เจริญตามพระพุทธเจ้าเราก็คงไปพอกพูนกันน่ยนะคือมองหรือคิดอะไรก็ไข่ครวนให้เป็นอริยสัจเนี่ยนะให้ให้มากๆากนั้นการเจริญอนิจจสัญญาตัวนี้ก็เท่ากับปัญญานั่นเองถ้าใช้ให้ตรงความหมายก็คืออนิจจานุปัสสนานั่นเองที่มีในอุปาทานขันห้าก็ไปไข้ครวนถึงความไม่เที่ยงเป็นต้นของของขันห้าเนี่ยนะก็จะได้ทํากิจอย่างที่กล่าวไป นี่ก็สมควรแก่เวลา